หาที่สบาย ถ, าถ้าจะพูดไปก็เหมือนกับดูไม่ดีเนาะถ้าจะบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบมันก็ดูอะไรไม่ใช่คือเราต้องดูเจตนาเนี่ยคือเวลาพูดเนี่ยคือเนี่ยอันนี้ตัวอย่างแรกตัวอย่างหนึ่ง แต่คนพูดเอาไปที่ชอบก็บอกเออไปที่ชอบครั บ, บใจไปที่ถูกใจอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเหาใจเราไปเกิดใหม่เงี้ยพัลละพูดแลความหมายกันเนี่ยเห็นไหมแค่คําเดียวเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจผิดกันได้แต่พูดง่ายๆคือทำให้คนข่ากันตายได้ความหมายธรรมดาเนี่ยแหละคนพูดอาจจะมีาการอื่นได้บ้างแต่คนฟัง นั่นจริงเป็นที่มาว่าการปฏิบัติธรรมต้องไการให้เราคิดเป็งคิดเป็นคิดแต่รต้งต้องสองอย่างต้งสองมุมไปตามสภาพครับผู้ฟังสารานุ น, น่าจะไม่มีคนฟังแล้วมั้งฟังคนตายไม่มีคนฟังเลยเนาะนี่เลยฟังคนเป็นแล้นเนี้ย่ยฟังคนเป็นฟังที่เป็น เป็นพระท่านก็เป็นพระไปแล้วท่านคงไม่ฟังของพู้นี้แล้วเพราะท่านเป็นพระไปแล้วเห็นแล้วมันไม่ง่ายนะถึงที่บอกว่าอยากจะฟังพวกเราพูดบ้างน่าจะดีอ๋อก็อมีใครพูดยิ่งเป็นต้องพูดจริงๆนั่งฟัง ปกติเราเป็นคนโดยธรรมชาติตั้งแต่ไหนตแต่อะไรคือเป็นคนชอบฟังมากกว่าพูดโดยอาศัยส่วนตัวไม่ใช่คนชอบพูดเป็นคนที่ชอบฟังพวกเราลองคิดดูระหว่างคนที่ชอบพูดกับชอบฟังเนี่ยอันไหนฟังไหนที่จะทนกว่ากันะก็คนฟัง มันฟังมันรับได้หลากหลายเพราะันการฟังจึงเป็นช่องทางเป็นหนทางวันนี้เสียงอย่างไม่ปกติไปไปลาวมาเนี่ยก็ได้อันิี้สองหลยอย่างกลับมาก็ไม่สบายนี่เสียงยังไม่ปกติกินยาอมยาชาลพัดเลย ก็ยังไม่ปกติพักกันแล้วอะมาฟังเรื่องของพู้เราบ้างทิวันนี้เรากินอะไรบ้างตอนเช้ากินข้าวขับอะไรจำไม่ได้เหรอกินก่อนลาดหน้ากินไปลาดหน้าไปไมหมวะ มันก็หลากหลายนะไปกันทวนจำจำใครจะถามว่ามื่อเช้าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรพวไม่ได้มาภาคเช้าไม่ได้มาทุกคนที่มาเนี่ยจำได้มึงกินข้าวไหม มันหลายอย่างรู้อะไรเป็นอะไรเนาะมันกินข้าวทานกินข้าวกับอะไรันตอบไม่ถูกเลยมันตอบตอบคือตอบได้แหละแต่ว่ามันรู้จะเอารับอันไหนมันกินหลายอย่างอันนี้แค่สั้นๆแอ่บทเรียนในชีวิตประจำวันของเราอันนี้ก็เรียกทวน ทบทวนทีนี้ถ้าเป็นเรื่องยาวไกลนานก่อนนี้เราก็จะจำอะไรไม่ได้แหละข้อ่เรุปกติอุระธรรมดาต้องไปเกิดมาจนณปัจจุบันถ้ามันอะไรที่มันไม่ประทับใจจริงๆมันก็จะจำไม่ได้ คือกระทบอาอจจะสะเทือนจิตใจมันก็จะจําเรียกว่าช็อกก็จะจำได้นานมันจะเป็นเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่ไปจำจำมามันก็ไม่ดีวันนี้เราหมดทวนมดตัวความจําำเราเระวังก็เคยเห็นชัดเจนตั้ง เป็นรูปแล้วก็เป็นนามวัก็ยันตรงกันมวอชาวพูดทยู่สามอย่างสิ่งที่พูดเนี่ยไม่ใช่เป็นคําพูดของคนพูดแต่เป็นถอดออกจากเป็นคําพูดภาษาเราง่ายๆคําพูดของพระพุทธเจ้าจะเป็นภาษาเราเราไม่ต้องเอาเป็นภาษาบาลีก็พูดไปพวกเราก็จําไม่ได้ถึงจําไปก็มีประโยชน์พระเจ้าพูดอยู่สามเรื่องขนานั้นอะ ถ้าเราจะใช้ได้ไประโยชน์ในชีวิตประจำวันเอาไปใช้จริงๆคือใช้ได้เลยคือหนึ่งให้เราอยู่กับความจริงได้นี่ว่าความจริงอันนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอให้เป็นความจริงก็กลับมาถามตัวเราว่าทุกวันเราอยู่กับความจริงหรอือความไม่จริงเราก็คิดตอบบอกอยู่กับความจริง อันละมันจริงเหรอความจริงมันคือสจัจจะนะคำว่าความจริงในตัว น, นี้คือสจัจจะคือธรรมะนะสิ่งที่เราอยู่อยู่น่ะมายควาคิดพูดทำํำคำว่าอยู่มันเป็นสจัจจะไหมมันเป็นความจริงไหมถ้าไม่เป็นสจัจจะถ้าไม่เป็นความจริง ก็แปลว่าเราอยู่กับความไม่จริงคือขอาเท็จง่ายๆอย่างนี้เลยซึ่งพระุทธเจ้าไม่ได้สอนก็แปลว่าเราอยู่กับสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนแล้วเราจะเอ่ยพุทธังสนังกระเจ้ามิไปเพื่ออะไรพูดอย่างนี้มันก็จะท้อชีวิตประจำวันหรือว่าพิติกรรมที่เราทําอยู่ในประจําวัน เราจะเข้าใจชัดเจนขึ้นนี่คีอความจริงสองความจริงที่เราอยู่อ่ะมันเป็นประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์ไหมความจริงในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายที่เราสัจจะเรือเราธรรมะเลยธรรมชาติมันแยกแยะไม่ออกเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองจริงๆริะมันเป็นประโยชน์กับตัวเราไหมถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีสาระ เรื่อมีสาระนี่ข้อที่สองเพราะนั้นข้อที่สามเนี่ยเมื่อรู้ว่ามันเป็นความจริงคือสัจจะคือธรรมะแล้วมารู้ว่ามันเป็นประโยชน์แล้วเราจะใช้สิ่งนั้นข้อหนึ่งข้อสองให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรก็เริ่มตนม้นต้นจะอะไรตั้งใจจงใจ เจตานาะผู้เจ้าใช้คําว่าเจตานาะในภาษาบาลีเจตานาของพิเกเวชิลังวาดามิเขาพูดถึินทั้งก็จะตัดอย่างนี้พิสุทธิ์ทั้งหลายเรากล่าวว่าสินคือเจตานาะเขาแปลว่ า, าสินอยู่ที่เจตานาะอยู่ที่การตั้งใจนี่ความหมายผู้เจ้าเออเหมือนกันกรรมก็เหมือนกันผู้เจ้าก็ตัดอย่างนี้เพียงเปลี่ยนจากสินเป็นกรรมเท่า น, นั้นเอง อันนี้คือพุทธธรรมดั้งเดคือคำของพรุทธเจ้คาคําภาษาเราค่อยเางนี้ตอนนี้เมื่อข้อหนึ่งก็สองเรารู้ว่าเออมันเป็นความจริงรู้แล้วว่ามันเป็นประโยชน์นะแล้วเราได้มีการเจตนาคือจงใจลงมาทําหรือยังเนยถ้ามันมีสักข้อเลยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเหมือนกันนะสามข้อนี้ผ่านมาไม่ทําพราะนั้นวันนี้เรามาเริ่มพูดเรื่อง ตลอดพรรษาที่ผ่านมาพยายามที่ย้ำให้ผู้เรารู้เห็นแล้วก็เข้าใจคำว่าเกิดคำว่าดับคำว่ารูปคำว่านาม้มสองคำสั้นๆแค่นี้จนะเป็นตรงกันข้ามในแต่ละวันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นเป็นสองคู่กันนี้เอ ง, เองไม่ต้องอะไรมาก เราจะการปฏิบัติของเราจะเข้มข้นมากขึ้นปพระดังนเพื่อประโยชน์เรือขยายความมากขึ้นโดยบาลีที่พุทธเจ้าตรัดเอาไว้นี่เป็นคำสอนจะเรียกชื่อต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระโสูตรก็ตามเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็ตามเรื่อง สติปัฏฐานที่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรีเป็นชื่อแยกออกไปจริงๆมันไม่มีอะไรแยกแยกไปมันเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อเรายังไม่เข้าใจระบบเราอยวกันตอนที่มาที่ไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดถึงการเกิดการดับรูปกับนามมาดูว่าก่อนที่จะประกากฏออกมาเป็นรูปก่อนที่จะโผลออกมาเป็นรูปที่เราเห็นเนี่ยมันมาอย่างไง แล้วพระพุทธเจ้าทำตอบว่าอย่างไรนี่เป็นคําของพระพุทธเจ้าพระครรเจ้าของเราเนี่ยไม่ธรรมดาอธิบายละเอียดแต่ว่าก่อนก่อนนั้นนเป็นเรื่องของพวกเราคือพบเป็นเรื่องของพวกเราที่ต้องค้นหาเพราะว่าบ่อนไงก็สาวไปไม่ถึงที่สาวมาถึงกระเพาะมันไม่เห็นแต่ที่พระพุทธเจ้าเริ่มเล่าก็เอาตั้งแต่ชาติคือเกิด ว่าการเกิดของคนของมนุษย์ของสัตว์มันปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรที่ว่าเป็นรูปที่เราเรียกว่ารูปรูปในที่นี้เราหมายถึงธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมท่านเรียนอย่างนี้นะถ้าท่านเรียนอย่างนี้ ดินเกิดมายัางไงภาษาทัศนรวมกันลราปฏิสนธิปฏิสน ธ, สสนธิวิญญาณสามคำสามพยางคบวกกันสนธิกันเราจะเรียกปฏิสนธิวิญญาณแต่เป็นศัพท์ศาสนาเขาเรียกอย่างนี้หรือวันปฏิสนธิวิญญาณยังไงเริ่มต้นจากถ้าอธิบาย หลังจากที่จิตที่มันไม่รับรู้เรื่องกายคือรูปนี้แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับชาติใดๆก็ตามมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ไว่าพบในชาติไหนว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายลักษณะเมื่อจิตออกจากร่างแล้วคือออกจากรูปคุยยังไงต่อร่างคือรูปรูปคือถ้าเสียคาเพราะทำไมถึงออกเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้มันพูพังนตามการเวลา พูดง่ายคือมันดับนั่นแหละแสดงว่ารูปมันดับโดยธรรมชาตินะอย่าบอกมันไม่ดับเลยไม่ใช่มันจะดับโดยธรรมชาติแต่เนี่ยการปรากฏตัวของมาของรูปที่เราเรียกว่าธาตุสี่ขันห้าตอนเนี้กําลังพฏิบัติรูปการเกิดการปรากฏตัวของรูปคือเราเนี่ยแหละเพืให้เข้าใจตรงกันเพืให้การเรียนรู้เข้าใจตองกันตั้งแต่ต้นว่ากระบวนการขั้นตอน กว่าจะมาเป็นเราเป็นเขาที่อุปทานขึ้นมามันเกิดจากอะไรปฏิสุธิวิญญาณเมื่อจิตออกจากร่างแล้วมันเหลือสี่ตัวคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะอาศัยรูปปฏิสุธิวิญญาณก็คือจิตมันเข้าสู่ร่างโดยอาศัยอะไรอะไรเป็นแรงผลักดันอะไรเป็นตัวเจ็บเนี้ยแก้แย่ กำมังสเตวิพชติกรรมคือการกระทําของผู้เราไม่ใช่ผลของกรรมคือเหตุที่เราเข้าใจว่ากรรมเป็นเรื่องผลของกรรมเราเข้าใจเพีอย่างนี้มานานแล้วกรรมคือการกระทําของผู้เราเองนะ่ะในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่มันเป็นตัวผลักดั น, นให้เราเไ ป, ไปิเปิดตทิศทาง ตามภูมิตามชั้นจิตมันก็มีชั้นก็เรียกว่าภูมิของจิตก็คือสูงต่ำตามระดับก็คือหยาบกลางละเอียดพูดง่ายๆอย่างนี้ปฏิสิทธิวิญญาณเริ่มต้นจากก็ะจะเรียกว่าแล้วทาทำเงยาะแสบเราทำกัาเป็นจริงแล้วแต่ผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเป็นสัญชตาตญาณเป็นธรรมชาติ เพื่อสืบต่อการสืบพันธุ์การประสมพันธ์ระหว่างของคนของมนุษย์ของสัตว์วัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดเผ่าพันธ์ต้องบอกว่าอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับอะไรมันทีไม่เกี่ยวกับความรักครอบชังอะไรจะเกิดผู้เยี่ไปเช่นคือขึ้นหนึ่งขึ้นมา ะ, ะสมกันขึ้นมาผลสุดท้าย ก็คือเกิดเป็นเป็นก้อนขึ้นมาก้อนเล็กๆ เ, เป็นแท่งกับของของเหลวๆแต่ก็ไม่ใช่น้ําตัวเแรกๆ ก, ก่อนก่อนที่มาเป็นคนกบกนการอย่างนี้พระเจ้าใช้ศัพท์คําว่ากาลละเขาจะเริ่มจากสิ่งที่เป็นเป็นก้อนยังไม่มีอะไรยังไม่มีแขนมีขาตาจมูกหรือที่วิญญาณอะไรนี่มี อ น, นี้กินเมื่อก่อนก็เริ่มอาศัยแม่นั่นแหละคือแม่อยู่ยังไงดินน้ำไฟลมของแม่ก็อาศัยถึงมันมีอะไรตอวนี้ปฏิสุธิวิญญาณจจนยังไม่เกิดยังไม่มีแขนยังไม่มีขายังไม่ใดใดสิ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือนี่ดินถ้าดินเริ่มเกิดแล้วถ้าพูดถึงดินก่อนเนะมื่อกี้เราพูดเรียงตามดับคือดินดินเสร็จแล้วว่นาน้ํา น้ำเสร็จแล้วก็ไฟไฟสุดท้ายสุดท้ายคือหลม่มดินนี่คือการดินมันก็ค่อยหนาขึ้นก็เลยเป็นแท่งทึบจากก้อนเรกๆแท่งทึบโดยอาศัยอาหารทางแม่จเจริญเติบโตมาเรื่อยๆตามวันเดือนปีตามลำดับจนปรากฏเป็นรูปเป็นร่างจนปฏิสนธิวิญญาณจิต ครว่าพิธวที่ิญญาณเริ่มมาวิญญาณเริ่มมาเดี๋ยวอธิบายวิญญาณคืออะไรจิตคืออะไรมันมาอย่างไงมาเริ่มมีเริ่มเป็นแท่งเป็นก้อ น, นก้อนโตขึ้นเป็นแท่งทึบยังเป็นก้อนอยู่ค้าเรียกว่าชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเนื้อยังไม่ปไปไหนเข้ามาสิงสู่อยู่ในนั้นเอาหลังจากนั้นหลาแกเป็นแท่งเป็นก้อน เรียบร้อยแล้วเราพูดกาลังจะพูดถงเ้เป็นดินน้ํามาเริ่มความมีส่วนถ้าไม่มีน้ําอยู่ไม่ได้แห้งๆ อ, อ, อยู่ไม่ได้ล้ำเริ่มมาธาตุน้ําริ้มปราก ฏ, เ ร, รากฏเริ่มปรากฏเป็นตัวธาตุน้ํเาเมื่อธาตุน้ำปรากฏเมื่อมีน้ําแล้วมันก็มีไฟคือความอบอุน่นไฟก็เริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมาแล้วสามธาตุ เือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเบื้อนครบอย่างนี้ปฏิสนิ ญ, ญานมันคือมันพร้อมเขาเรียกว่าอุทาภูมิมันพร้อมที่จะสัตว์มาจุติตมาเคลื่อนมาก็เริ่มมรีรูปเป็นร่างจากนั้นลมยังไม่มียังอาศัยแม่อยู่ลมมันยังไม่มีเบื่บอครบตามกาหนด แขนขาตายจมูกวเรียบร้อยออกมาโว อ, ออกมาก่อนเพื่ อ, อ, อมารีบออกมาหายใจนั่นแหละพอหายใจปุ๊บเขโดนอาการข้างนอกลมนั่น ม, มันก็เริ่มพองเริ่มขยายเริ่มโตทันทีเริ่มโ ต, เ, มตเข้ามาก็เรียกว่าคลอดออกมาเป็นคนลมคืออากาศมาแล้วอันนี้ธาตุทั้งหมดครบแล้วตอนนี้ดิน น้ำไฟลมถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ทีแรกมนุษย์คงไม่มีปัญหาคงไม่ได้ยึดไม่ได้ติดว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นเราเป็นเขาความรักความชางคงไม่มีเพราะว่าถ้ามันแยกเข้าใจตั้งแต่ต้นกระบวนการเกิดดินนะ้ำไฟลมมันเกิดอย่างนี้นะในตัวตนของเราเนี่ย อันนี้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาในการเกิดทั้งวิปัสสน า, านกรรมฐานที่สูงขึ้นมากกว่า น, นี้ mm. เพื่อโอปนิชฌโกคือน้อมเข้ามาหาตัวนี้สรุปก็คือตอนนี้เป็นคนแหละครับละปฏิป ญ, ญญาณมนจิตจิตเกิดจากอะไรตรัวนี้จิตเดิมมันมากับจิตเดิมมันไม่มีไรห่อหุ้มมันบริสุทธิ์มันสะอาด แต่เนี้หลังจากนั้นก็เจริญเติบโตตามลําดับอยู่ได้เพราะอาหารตามมาแล้วจุดนี้เริ่มกินแหละเกิดกินเริ่มตามมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นอย่างเรายังไม่รู้ตัวคงยังไม่มีสติในขณะนั้นเริ่มมีการกินมันก็เริ่มการเติบโตเจริญในา ร, ร่างกาย มาเรื่อยๆยังไม่รับรู้อะไรเรียกว่าไรเดียงสาเรียกไม่รู้เดียงสาโดยสภาวะของจิตเพราะยังไม่มีการรับยังไม่มีการรู้ใดๆเรียกก็เรอยๆผู้บริสุทธิ์หลังจากนั้นโตขึ้นมาเนี่ยเกิดการหลังจากนั้นปฏิสุทธิวิญญาณที่แท้จริงเริ่มเกิดแล้วเกิดได้อย่างไรเพะรู้พอรู้ตัวขึ้นมา รู้สึกนั่นแหละความมีความรู้สึกแต่ความสำนึกนอื่นๆมันไม่มีพอประสบการณ์ไม่มีมันยังไม่เข้าใจโลกเดียวคืออะไรมันยังไม่เข้าใจว่ารู้แต่ว่านันคือเย็นร้อนอ่อนแข็งตามที่มีอยู่นั่นแหละตามขึ้นดินตามตามที่เรื่งชื่อตามธานุขอเขาแล้วอันนี้เข้าใจว่ามันเีนอันนั้นมันแข็งอันนี้มันเย็นอันนี้ ม, นนนนมันร้อนแต่อื่นตามมาไม่รู้ เราจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ต้นเลยว่ามันอวิชชาปุชาเรียกว่าไม่รู้จะเรียกกําหนดอย่างเรียกอย่างนี้ว่ายอย่างไรจะกําหนดหรือนิยามหรือคําจํากัดความอย่างนี้อย่างไรถึงจะเข้าใจตรงกันคําตอบก็ง่ายคืออวิชช า, าไม่รู้ไม่สามารถที่จะบอกที่มาที่ไปได้ คือไม่มีหนทางที่สแสวงหาถึงสาวไม่ถึงเพื่อเหตุใครก็สาวไม่ได้คนธรรมดาสาวไม่ได้ภาษาพระพุทธเจ้า้เป็นภาษาบาลีเพราะว่าอาณะมะตะมัตมัคคีไม่บอหนทางที่อันคนและสัตว์อันกใครตามไปอยู่รู้ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นภาษาบาลีคือไม่สมามารถที่จะไปสาวหาเหตุปัจจัยถึงต้นต่อค้ามมั น, นได่จริงนะจิตวิญญาณได้มาปฏิสูนต์ที่อันนี้ ต้นตอนไปยังไงมายังไงมันก็ไม่แปลกหรอกตั้งแต่ผู้เจี่ยวผิพานมาสองพันกว่าปีมาแล้วเราไม่สามารถจะสืบาสา ร, ราวเรื่องได้อันนี้คือจิตแต่ละคนหลังจากนั้นโตขึ้นมาเริ่มมีความรู้ขึ้นมาความรู้ที่เรียกว่าเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มรูปนะ่ะเริ่มนามแต่เรายังไม่เข้าใจเรื่องนามก็ดีมันคืออะไรและเมื่อไม่เข้าใจ รูปน่ะ ก, ก็แบบไม่เข้าใจการทํางานของมันคือระบบว่ากลไกการทํางานของมันมันทํางานอย่างไรระหว่างรูปกับนามันนี้ตอนนี้แม้แต่ดินน้ําไฟลมที่ตั้งแต่แรกตั้งต้ตงตนจนจบเอามาเรียกรูปเรรูปานี้เราก็ลืมไปแล้วลืมไปแล้วว่ามันมันเป็นดินมันเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมก็สมมุติว่าเป็นคนก็ยังไม่รู้ว่า เป็นคนคืออะไรก็จะต้องตั้งชื่อเรียกชื่อให้เข้าใจตรงกันสุดท้ายเราก็เข้าใจอย่างนี้ตรงกันตั้งแต่เกิดก็คือชื่อก็คือชื่อภาษาบาลีว่ า, าวนามะมันสอดคล้องกันนะนามะเราไปแปลว่าชื่อจริงๆแล้วโดยความหมายจริงๆ นามะหรือะโมหรือมันอะนมะก็แปลว่าน้อมที่มีชื่อเพราะว่าน้อมคือจิตมันน้อมออกไปรับรู้จึงเรียกว่านามะคือนามนั่นแหละที่ชื่อมันน้อมยังไงจิตอันนี้มันน้อมไป ร, รู้ข้างนอกรู้ปัจจัยภายนอกเช่นตา คือจะขู่นี่แหละมันไปเห็นรูปสรารพัดที่เป็นรู ป, ปะทั้งหลายแหล่นั่นออกนี่มันจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ น, นแต่มันก็หน้าที่มันจําถ้ามีความรู้มันไปรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็รู้ก็เรียกว่ารับแล้วก็รู้เพราะฉนะนั้นสิ่งที่มันนั่งเข้าไปนะ่ะนั่นคือนามะคือตัวรูปนะ่ะมันไปรับ แ, แล้วกเกิดผัดสะ ภาษาคืออะไรคือกระทบชั้ตาเห็นรูปเร็วาตากระทบกับรูปจึงเกิดความรู้ขึ้นมาจึงจเรียกว่าวิญญาณนี่ความหมายเมื่อจิตมันไปปรุงกับสิ่งที่มันรู้แล้วนะเราจึงเรียกว่าจิตวิญญาณคือเอาสิ่งที่รู้ามาปรุงเราเรียกว่าจิตวิญญาณอันนี้สมบูรณ์แบบแล้วเลยเราเข้าใจว่าอ๋อที่เรา รับรู้เสียงอะไรกันเพราะว่าจิตของเราเนะี่ะไปน้อมมันเอาเข้ามาแล้วยังไม่รู้พูดถึงว่าจริงที่น้ําเข้ามาเนะ่ยเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะมันทําหน้าที่ของมันอย่างนี้มันได้บอกว่าเห็นไปแล้วดีชั่วมันไม่เกี่ยวกับมันคือมันไม่เกี่ยวกับตามไม่เกี่ยวกับอายตนะคือตัวเชื่อมอจันนะทําหน้าที่เชื่อมทำหน้าที่สะพานทอดสะพานออกไปเห็นข้างนอก อะไรก็เรียกว่าภายนอกภายในเป็นพัสดะกระทบกันจึงเกิดเป็นพัสดะเมื่อมันกระทบหรือว่าพัสะกันมาจึง ค, ความรู้สึกขึ้นมาจึงเรียกว่าเวทนาเห็นไหมเมื่อกี้รูปแล้วเข้าใจแล้วรูปคือคือดินคือน้ําคือไฟคือลมอ น, นี่คือรูปนะเวทนาคือ มันกระทบหรือว่าผัสสะกับสิ่งเหล่านั้นมันกระทบอะไรก็กระทบใจกระทบจิตกระทบกับจิตของเรานะี่มันผัสสะคือกระทบกับจิตของเราที่เกิดการรับรู้รับรู้อะไรเกิดเวทนาเวทนาคืออะไรคือสบายคือสุขะไม่สบายทุกขะเฉย ดูปเปรค่ที่ว่าอาเปรคเาเพราะาามันวางได้เพราะจิตมันวางได้จึงเรียกอุปเปกค่ะคือมันเพ่งเมยเอมันไม่ได้สนใจว่ามันเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์มันไม่ได้สนใจจึงเรียกอุปเปก ค, ค่ะก็เป็นสามอย่างแค่นี้แหละการเกิดขึ้นของอย่างอื่นก็ทํานองเดียวกันนี้ทีนี้ประเด็นคือกลับมาที่ต้นเราเข้าใจเรื่องรูปแล้วเข้าใจเรื่องนามแล้ว ทีนี้มาดูว่าแล้วเวลามันเกิดกับเวลามันดับเนี่ยเราเคยรู้ไหมอย่างเช่นมันผัสสะเกิดเวทนาก็คือการเกิดนั่นแหละเขาเรียกว่าสายเกิดในหลักปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าสายเกิดจนมันเลือนหายไปจนสุดท้ายปลายทางให้มันแล้กวก็มันดับนี่เขเรียกว่าสายดับก็คือนิโรธ นี่โดดนอกจากไปว่าดับแล้วก็ไปว่าเสื่อมคืออยู่อย่างนั้นไม่ได้แต่มันชั่วคราวนวะมันไม่ได้เสื่อมถาวรมันชั่วคราวเราจรึงเรียกนว่าชราชราเราเข้าใจว่าหกสบแล้วจึงเรียกว่าชรามันไม่ใช่มันชราตั้งแต่ปรากฏตัวมาแล้วมันคล่ำคล้ามันชำรุ สุดโทมเพราะอะไรเพราะโดนทัดไฟเผาคทาัดไฟของเราที่มีอยู่นะี่คือความร้อนนะั่นแหละมันเผาผ่านจนสุดท้ายมันปรากฏมาเป็นรูปเป็นร่างจนเหี่ยวจน ย, นยนะ่นนออั่นแหละเพราะว่าัดไฟตอนนี้มันผ่านการเวลาจะกลายเป็นชาราคือครําคร่าไม่ได้แปลว่าแก่งงอมคือมันคร่าคร่าตั้งแต่ต้นนะมาถ้าเราโอปนัจโกะนี่ต้องใช้คำว่า เนื่องจากมันเกิดเข้ารูปเน่ยเกิดจากการน้อมน้อมจิตเนี่ยเป็นน้อมไปรับเอาข้างนอกมาเพราะฉะนั้นวิธีที่จะ ย, ย้อนสอนมันคือจิตเราก็ต้องน้อมกับอะไตัวอื่นเหมือนกันน้อมก็หาดินน้ำไฟลมที่มีอยู่นี่แหละน้อมก็หาสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นฐานฐา น, นเลยเป็นที่ตั้งตั้งป้อมสู้กับมันมิางา น, นราจะไม่ไมีรูจักรู้จัก ตัวตนที่แท้จริงของพวกเราส่วนที่มาที่ไปยังไม่ต้องพูดถึงถ้าเราเข้าใจกระบวนการขั้นตนเหล่านี้นแล้วจงเกิดญาณพิเศษคือความรู้เพื่ออยู่ตายซึ่งปัจจุบันเราก็ยังว่าไม่รู้หรืออ ว, วิชชาพเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้อาจจะทวนอยู่บ่อยๆเป็นกระบวนการสายประเทศพม่าก็ใช้วิธีสวด บอกพุทธยังเราก็ใช้วิธีนี้ทบทวนเหมือนกันทบทวนกระบวนการเดี่ยวัฏจักรของเขาตั้งแต่ต้นตนจบบอพูดถึงอวิชามอาวิชามอาวิชชาปัจจะยาสร้างฆากราสร้างาราปจยามันอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช้วิธีสวดวันนั้นพ่อมาก็ถือว่าถ้าใครสวดอย่างนี้ได้ถือว่าได้บุญเขาบอกว่าถ้าใครสวดเท่านั้นจบเท่านี้นจบเขาบอกจะไม่ตกนรกเขาว่าอย่างนั้นน่ะมันน่าจะเป็นการ เชิญชวนหรือว่าเบรการทําความเข้าใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจแค่ครับสวนอย่างเดียวไม่ตกนรกภูมไปไม่ได้นะแต่ถ้าสวดแล้วศึกษาหาความรู้นั่นจะให้เข้าใจอย่างละเอียดทีท่วนดีเราจะเข้าใจเรื่อหาสาระนี่เข้าใจเรื่องหม้แล้วแล้วอย่าเรื่องรูปเรื่องนามน่ะทีนี้ดูการเกิดดับของเขาอย่างนี้การเกิดและการดับของรูปและนามนก็เหลือสองเนี้แหละ คนที่จะรู้การเกิดกันแบบคนนั้นครูเจ้าเขาบอกใช้ว่ากำหนดกำหนดอะไรกำหนดลมหายใจเราลมหายใจยังไงนี่คือสิ่งที่แรกที่์ครูคเจ้าใช้อัดส า, าสะปัดสาสะเรากาลังจะบอกว่า นึก ถ, ถึงภาษาบาลีปุ๊บนี้เมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยได้คิดนะที่เป็นภาษาบาลีกับภาษาไทยเรามันตรงกันข้ามเช่นพ่อแม่อันนี้ภาษาไทยเรานะแต่ภาษาบาลีนี่เอาแม่ขึ้นก่อนนะแม่พ่อมาตาปิตุอุปัฏฐานังเห็นไหมแม่ขึ้นก่อนนะ เราเรียกเรียกพอไมมให้เกียรติผู้ชายภาษาเราอันนี้คือภาษาที่พันปีเขาใช้มาภาษาที่ลมหายใจเนี่ยคือเหมือนกันต้องใช้ว่าอัศ ส, สะปัตสสะอาณาปานาสติมันเกี่ยวข้องกับลมหายใจโดยตรงเรียกว่าอาณาปาน่ยอาาปัจจะอาณอาณาในแปลว่าเข่า กับอาาอาณาปะอันนี้คือออกแปลว่าอะไรถ้าเราไม่คิดมันไม่มีอะไรแต่ว่าพมานะ่านะเขาเข้าใจเขาเข้าใจหลักการอันนี้อันนี้เราพูดในทางท้งปริยัติปฏิบัติบรบมพร้อมกันเราใช้คำว่า ลมหายใจแต่เวลาพูดเราหายใจเข้าหายใจออกมันกลับกันนะนเหมือนเขาเรียกว่าพ่อแม่ภาษาบาลีว่าแม่พ่อเนี่ยเรากลับกันเอาหายใจเข้าก่อนหายใจออกทีหลังแต่ตัวเป็นตัวแม่คือตัวภาษาบาลีนะในพูดถึงภาษาบาลีคือรากศัพท์ของเขาเนะี่ย หายใจออกก่อนหายใจออกก่อนอยหายใจเข้าเหตุผลประกอบก็คือนึกถึงปอดของเราปอดกับรวงอกเนะี่ยสังเกตดูเวลาหายใจเข้าจะหายใจออกไป็นยงลองลองหายใจออกก่อนหายใจออกปุ๊บนี่ ส้ง อ, อกคือหน้าออกของเรามันจะบีบตัวเขาคือปอดแต่มันจะบีบตัวอะไรจะให้ออกมันก็จะพองนันนี่คือเป็นที่มาของยุบหนอ่อพองหนอ่อพอมาเขาใช้คือมันขยายเพราะฉะนั้นตัวที่หายใจเขา้ามันวูบเพราะฉะนั้นเวลาหายใจเขา้าคือเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะๆปอดมันจะขยายจะหา ย, ายเข้าก็ขยายอขยายให้เต็มตัว นี่ก็หลักการผู้เจ้าเห็นหลักการนี้มานานพันปีแล้ววันที่เราทําอยู่หายใจเข้าหายใจออกมันก็ถูกแบบเราอแต่ถ้าเป็นโบราณอยังไงหายใจออกก่อนแล้วก็กั้นเอาไว้แล้วก็หายใจเข้ามันเต็มปอดเพราะปอดเพราะหายใจก็ราะระสงฆ์อุปัญญะขยายปอดเราแจกขยายนเราไ้ได้ลมด้วยได้ออกซิเจนด้วยคือรับประโยชน์ด้วยทุกวันเราหายใจไม่เต็มที่หายใจไปครึ่งหนึ่งก็ ออกมาแล้วออกไปแค่หนึ่งก็เข้าไปแล้วอย่างนี้คือมันไม่ได้เต็มที่คือมันไม่ได้เต็มปอดอันนี้คือหลักแล้วก็เป็นความจริงที่มันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้เมื่อรู้หลักการอย่างนี้แล้วรู้แล้วว่ารูปเป็นอย่างนี้ที่มานามเป็นอย่างนี้เกิดเป็นอย่างนี้ดับเป็นอย่างนี้แล้วการเกิดการดับเนี่ยเมื่อไหร่เราเจะเห็นสิ่งหล่านี้มันเร็วนี่แหละคือครับพระิปนา อาณาปานะสติปัฐานคือฐานของสติวิปัสนาเกิดเนี่ยคือการเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นในที่นี้หมายถึงเห็นด้วยปัญญาไม่ได้มองมุ่งไปที่ตาเนื้อตาหนังนี้เพราะฉะนั้นละตาก็เห็นได้ลืมตาก็เข้าใจได้เนี่ยเร็กว่าวิปัสนา ปัะการไทยศั ส, สนาคือทําได้ทั้งหลับตาและลืมตาแต่เวลาลืมตามันจะเป็นสิ่งปจัจจัยพายนอกมันรบกวนเท่านั้นเองมันจึงเป็นต้องหลับตาแต่เราทําได้ทําได้ถ้าคนมีปัญญาเราทําได้มันทีไม่จำเป็นต้องหลับตาคนที่ทำเป็นแล้วทําเป็นในที่นี้หมายก็ว่าคือเห็นการเกิดการดับของสรรพสิ่งทั้งหมดเร็วก็เกิดเร็วดับเร็วก็งา่ายเกิดตอนนี้ตายตอนนี้ ถ้าเป็นคน่ะมันจบทันทีเลยมันไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืด อ, อารมณ์เขาไม่ปัชนาเป็นอย่างนี้คือให้เราเห็นอย่างนี้เราจรึงเรียกจริงาน้การเกิดการเร็วขึ้นว่าปัญญาอนะไรทีนี้นี่คือปัญญาทุวนันให้มันเราใช้สัญญาดารกล่าวทางดานแต่เราเข้าใจวันเป็นปัญญาปัญญาที่แท้จริงเราต้องเห็นอย่างนี้คือเห็นอะไร ก็เห็นที่มันเป็นเต็มเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเรี่ยวรูปขันห้าก็คืออันนี้แหลขันห้าก็คืออันนี้คือรูปกับน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็บอกว่าขันห้าเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือกําหนดรู้แทนบัณฑายละเพราะมันละไม่ได้แต่เราอยากละคืออยากให้มั น, นมีอยากให้มันเป็นอย่างนี้เราก็เข้าใจเผิดอย่างนี้การกําหนด กันหมดและต้องรู้ด้วยนะครับว่ารู้ต้องรู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ได้แล้วก็ต้องวางได้ตามกระ บ, บวนการเขาจนจบไม่ใช่รู้อย่างเดียวรู้ได้วางได้รู้เร็ววางเร็วกระทบเร็วคือภาษานคือจิตมันกระทบเร็วรับเร็ววางเร็วรับเร็ววางเร็วอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดจากการฝึกฝนค่อยเป็น ไปไปทีละเรื่องทีละเรื่องจนค่อใจตามสอาะเรามันสเปะส ะ, ะคือไม่เอาอะไรสักอย่างก็เหมือนวันเช้าดิถามตั้งต้งนมึนก็ไหนกินข้าวกับอะไรมันไม่ไม่ผิดไม่ถูกรรมาในมงก์ทีผิดหรือถูกตอบยังไงก็ถูกทันนั่นมันชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนี้การปฏิบัติเราก็เป็นอย่างนี้คือตอบอะไรก็ได้สักอย่างถูกหมดอ่ะ กินข้าวกับปลาทูก็ได้รปราตะเกียปลาทูอื่นๆก็เป็นแก้วกันองค์ประกอบเครื่อปรงุงเครื่องแต่งขึ้นเลยเราสังขารมตาต่างกันมาเราเอาตัวหลักๆรูปก็จับเป็นรูปเป็นหลักๆเมื่อมันไม่มีรูปตัวนี้หรือแต่นามเนี่ยมันจะได้เข้าใจทั้งสองอย่างคือรูปก็เข้าใจนามก็เข้าใจลผลของมีรูปเป็นยังไงผลก็หรือแต่นามเป็นยังไง เพรสุดท้ายภาระหนักเรามันมันยิ่งกว่ามีรูปอีกนะภาระในอะนาคตของเราที่ต้องมีคือเราต้องอยู่กับนามแต่อยู่ด้วยความไม่มีสติเคยเปเไปียบเทศบาลฟันอยู่เสมอพ่อเคยไปฟังเรื่องว่าระหว่างคนเป็นกับคนตายคนกลางวันกับกลางคืนรว่ามีสติกับไม่มีสติคือมีบ้างไม่มีบ้างนีแ่แหละตอนเวลาที่เรานอนหลับเห็นไหม ดูเหมือนเราเห็นเป็นรูปเป็นร่างฝัน เ, น, น, นเป็นนั่นเป็นนี่นั่นคือฝันแต่ในขณะที่ฝันเราก็ว่ามันเป็นความจริงนะเราก็ยึดเอารูปที่เราเห็นนะ่ะมันเป็นความจริงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เหมือนฝั่งโน้นตอนนี้มันเหลือแต่เหลือแต่ธาตุเคยดินน้ําไฟลมไม่มีแล้วธาตุที่สีอยู่ไม่มีแลเหลือแต่เหลือแต่สามธาตุ แล้วเจ้าตัวคือเจ้าของก็มารู้ไปไหนแล้วแต่มันไปแน่นอนไปหาที่เกาะใหม่เรียกว่าหาที่เกาะอาที่ยึดทีติคือที่ตั้งที่ตั้ ง, ขงเขาจิตที่ตั้งของวิญญาณมันไปหาเกาะใหม่ไปหาตัวใหม่มามันไปอยู่กับอะไรมันจะไปปฏิสนธิวิญญาณกับอะไรเพราะมันจะต้องใช้รูปไงพันมีเกษตรตัวตอนนี้ มันเหลือแค่เวทนาสัญญาสกัดอินทรียณมันฝั่งรุ่นตอนเนี้ยอรูปที่มีอยู่มันแช่อะไรไม่ได้แล้วมันต้องอาศัยรูปใหม่คือต้องไปปฏิสนธิอิญญาณใหม่คือไปเริ่มต้นจากกัลละกัลละคือจิตคือเริ่มต้นจากให้มันมีดินมีน้ำ ม, มีอะไรมีลมครบเสร็จแล้วก็ดํำลงขันคือกองกองกองกองอยู่ มันวนไปเวียนมาอยู่นี้ไม่รู้กี่ภพภิชาตมาแล้วแต่เราไม่รู้พุทธเจ้มองเห็นแต่ไม่รู้จะอธิบายเริ่มต้นสุดท้ายอย่างไงจีงให้พวกเราเข้าใจสิยงนัน้เพราะนั้นจีให้พวกเราเห็นสิ่งนั้นได้ด้วยตนเองโดยการยืนเดินนั่งนอนอีบุตรที่เรามีอยู่นี่นแหละในชีวิตประจวันแต่ว่าให้อยู่ด้วยความมีสติ อยู่ยังไงก็ได้เอ็มมสติหรืออยู่กับตัวเองแล้วเราจะรู้จักตัวเราเองว่าตัวตนในแท้จริงอ๋อสุดท้ายก็อันนี้มันคือแค่รูปเองนะนี่แค่นามเองนะตัวที่จะไปต่อคืออะไรคือรูปกับอารูปก็คือองค์ของชาตนั่นเองถ้ายังทิ้งผู้นี้ไม่ได้ยังทิ้งรูปไม่ได้คือรูปในฝันนั่นแหละป่วย่างไงที่เก็บกิจจ์เอาไว้แล้วอารูปคือที่ว่างๆเฉยๆคือนาม สี่ตัวอีกค้อละเอียดขึ้นไปอีกคือกายจิตค้อละเอียดขึ้นไปอีกเล้วก็อยู่กับอารมณ์อยู่ว่างๆอย่างนั้นถ้าเขคเข้าใจเรื่องสมาธิคืออุปจารสมาธิคณิกาสมาธิอปปนาสมาธิจะเข้าใจมากขึ้น อ, องาค์ประกอบเป็นหลังนี้มันเกิดจากอะไรฉนั้นอุปจาระโดยคณิกะอปปนาอัปป น, นาสมาธิา ส, มาธาสมาธิที่มันลึกแต่มันไม่เกิดปัญญามันเป็นดีพัก ยาวเลยมันอยู่อย่างนั้นยาวคือถอนจิตออกมาได้ถอนจิตออกมาได้คือมารับรู้กายคือรูปนั่นแหละต้อมารับรู้รูปเพราะงั้นมันละไม่ได้มันจะทิ้ ง, งตัวนี้ไม่ได้จิตมันจะค้องอยู่จุดเรืออุปทานข้องกับเราค้องกับเขานีแ่แหละสองคำในตามมาพอจะแทยกอุปทาน ก, นกันก็ยึดว่าเป็นของเราเป็นของเขาจุดเรืออัตตานะ พลังการที่สองที่พุญญาเทศคืออนัตตาก็คือทำลายตัวตนความเป็นตัวตนนั่นแหละคือทำลายขันห้านี่แหละคือทำลายสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกคือตั้งแต่ดินน้ำไฟลมจำว่าลมมันตัวสุดท้ายนะลมนี่มันมาตัวสุดท้ายแล้วก็มันเป็นแต่วเวลาลมมันไปไปตัวแรกเลยนะเวลามามาตัวสุดท้ายแต่เวลามันไปคือมันดับ ตัวลมมันดับก่อนอื่นๆดับที่หลังในรูปแบบนี้มันมันจะกลับกันเวลามันไปคือดับอะพูดยังไงนันถ้าใครเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นแค่การเกิดการดับกองสปปรรพสิง่งคือคือสามารถทําลายดินน้ําไฟลมก็คือธาตุนั่นแหละสุดท้ายมันจะเหลือตัวเนี้ยปัญญามันก็จะเกิมัน จ, จะทําลายสิ่งเหล่านี้ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราใช้มาทั้งหมด ตามความเข้าใจเป็นภาษาเราง่ายๆก็คือการเกิดเรวาชาติเกิดเสร็จก็มีชีวิตชีวิตะชีวะมีชีวิตมจะมีอยู่เพื่อเพิ่งอยู่ชีวิตที่มีอยู่เพราะว่ยเพราะจิตจิตมันอาศัยจิตจิตตะมันตกปรงดดุงตักแต่งมัดปรุงไปทางไหนตัวนี้ชีวิตจิตมันปรงทางไหน พฤติกรรมของเราก็เป็นไปทางนั้นพฤติกรรมจากอะไรจากความคิดจากคำพูดจากการการะทําจากจิตเต้ันปรงุงนั่นแหละเราจรึงเลยชีวิตจิตมีจิตแล้วก็มีกรรมกรรมนี้เกิดจากการคิดพูดตรงุงแต่นี้ชีิตเรามีแค่นี้หมายถึงคนทั่วไปมันหยุดยุดติกระบวนการอยู่ตรงนี้มันไปต่อไม่ไปต่อจริงจริงมันควรจะไปต่อชีวิตจิตกรรม มันต้องธรรมะแล้วก็ปัญญานิพิทาวิราคะนิพพานกนะระบวนการขั้นตอนต่อไปเราได้แค่เนีน้ชีวิตจิกรรมมันตกเราแค่กรรมเขาจบสุดท้ายไม่แปลกเราจะไปโทษเวรโทษกรรมประโจนเราแค่กรรมแค่นี้ยเราคิต่อมากไปกว่า น, นี้ไม่ได้เพราะเราไม่มีปัญญาเราไปต่อจนนี้ได้เรามีปัญญาวันที่เราทำเนี่ย ทำให้มันเกินกว่าสิ่งที่มนุษย์ก็ทํากันที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ไปต่อให้เกิดความเข้าใจว่ามันไม่ใช่กระจกแคกกรรมคือการกระทําองชีวิตจิตกรรมมันต้องธรรมะปัญญาเนพิทาเวรคะสตินิพพานคือดับนั่นแหละชีวิตคือการเกิดขึ้นการปรากฏตัวแต่ว่าดับเรามองไม่ถึงเราไปไม่ถึงเราไม่สามารถจะไปถึงตัว น, น, นั้นได้แต่ว่านิพพานะตัวเนี้ย มันกลายเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนไปนเลยเข้าใจยากเพราะเราไม่เข้าใจกระบวนการตั้งแต่ต้นตั้งการเกิดการเกิดเราเข้าใจว่าจำจนท่องไปเกิดแก่เจ็บตายแค่นี้แต่เอาควาจริงคืไม่รู้ว่ามาเกิดตอนไหนแก่ตอนไหนตายตอนไหนไม่รู้แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองแก่พอเขาบอกใครไม่บอกว่าแก่นะเขาโกรธใช่หไหมเพราะมันแก่ตั้งแต่เกิดแล้วเป็นไม่ยอมรับไหม เพราะนั้นเราตัวนเป็นนักปฏิบัติเออเขาก็พูดความจริงนะบอกว่าเออแกเออชาพอเราแก่ตั้งแต่เกิดแล้วนี่เป็นการยอมรับความจริงนะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับในโกเห็นไหมเมื่อันกี้เนี่ยพ่อยายบอกอ้าวยายไปที่ชอบไปชอบอะขอละความหมายมันอยู่ที่วิธีคิดแหละทีนี้นี่เขาเรียกว่าคิดพูดทําเนี้กรรมเกิดจากนี้แหละพอพอฟังปุ๊บนี่มันจะสนองสิ่งที่เรา สิ่งเราสิ่งที่เราต้องการเนะ่ยมันแสดงออกถึงความพอใจไม่พอใจหรือว่าเฉยๆมันจะเรียกว่ากรรมมันมีผลต่อข้างเคียงต่อชีวิตอของพเราอย่างมากเลยทํำชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ได้ในีจิตอย่างนั้นกับพเราเราก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรใหม่เลยหลวงพ่อพูดเสมอว่ า, วาเออคิดเหมือนเดิมอยู่อย่างเนี้ยพูดเหมือนเดิมอยู่เนี้ยทาเหมือนเดิมมันจะไปหาของใ ห, ใหม่ มันได้เหรอเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงอ่ะเรายินดีพอใจที่อยู่อย่างนี้ถ้าท า, ทานี้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่ได้อยู่อย่างนี้ไปทาวันตลอดเวลาเพราะการปฏิบัติธรรมคืสามารถที่จะยกเสิ่งนี้พิจารณาเป็นภาษาเราง่ายๆอย่างเนี้ยเป็นวิธีคิดง่ายๆธรรมดาอางนี้ยแต่คิดให้มันเป็นระบบคือตั้งแต่ต้นจนจบอย่าภาษาเราทุกวันนั่ก็คือต้นน้ํากลา ง, น, างน้ำปลายน้ําอันเดียวกัน ผู้เจ้าใช้วิธีคิดอย่างงี้มานานแล้วเป็นพันปีมาแล้วเวลานั้นพวกเราเกือเดิมเราตำ น, นักที่เป็นบุรุเจ้ามือเช้าเราพูดถึงครูกับนักเรียนความหมายเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าผู้เจ้าเป็นครูที่ดีที่สุดมันไม่ใช่ครูของมนุษย์อย่างเดียวเป็นของเทวดาด้วยเป็นสถาเทวะมนุษย์ศาสนาเป็นครูของทั้งเทวดาและมนุษย์ เป็นครูนะคือสอนอได้ทั้งคนและเทวดาครูอย่างเราไม่ธรรมดานะะครูอย่างพวกเราก็สอนได้เฉพาะนักเรียนแต่อย่าลืมมือเช้าเลยให้คิดนิดหนึ่งว่ามีครูมีผู้สอนแต่ไม่มีนักเรียนมันมีประโยชน์ไหมมีครูที่ดีที่สุดมีคําสอนที่ดีที่สุดแต่นักเรียนไม่ทำตามจะ ไ, ได้ประโยชน์ไหม เพราะนั้นมีครูที่ดีสุดแล้วอย่าลืมเราต้องเป็นนักเรียนที่ดีด้วยนักเรียนที่ดีคือเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามตา ม, ตามกําลังตามความสามารถตามการตามเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยแต่ว่าตั้งใจคือเจตนาอยู่เสมอว่ามีโอกาสมีเวลาเมื่อไหร่เราก็จะตั้งใจยกเว้นพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงคือหนึ่งว่าเราต้องอยู่กับความจริงให้ได้ความจริงก็ได้เลย ความจริงเป็นประโยชน์แล้วทาตัวให้เป็นประโยชน์ได้คือตัวเองก็ให้เป็นประโยชน์และผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์เหมือนครูบาอาจารย์เอ๊เลยคุณสมีบัณฑิตเกิดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราพวกเราเพราะท่านอยู่ความจริง2องคือเมื่อบุคคลจริงเสร็จแล้วท่านเข้าใจว่าประโยชน์ประโยชน์ก็คือประโยชน์ปัจจุบันนี้ประโยชน์ผู้อื่นผู้อื่นก็รับประโยชน์ด้วยแต่ประโยชน์อย่างยิ่งคือประโยชน์ภายหน้าก็ได้รับประโยชน์ด้วย เรียว่าคนมีประโยชน์ตรงข้ามกับคนที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือว่าเราจะทําตัวเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ยังไงก็ได้หรือว่าเราตอนอยู่กับอยู่แบบยังไงก็ได้คือไม่อยู่ความเป็นจริงอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่เคารพครูเราไม่เชื่อฟังครูเราเพราะฉะนั้นเจตนาหรือว่าที่จะเริ่มต้นใจะเกินมันจะไม่มีเลยเลยองค์ประกอบทั้งสามอย่างมันไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เรจะหาความเจริญมาจากไหนเราจะเรียกว่าภาวนาแปลว่าท so ําให้ม so ีทําให้เป็นทําให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันไม่เป็นอะไรเลยอมันเกิดขึ้นอะไรเลยเราก็จไม่เรียกว่าภาวนาไม่ได้สีน่าภาวนาเพราะฉะภาวนาทําให้มีทําให้เป็นทำให้เกิดขึ้นคือทําให้กุศลนั่นแหละกุศลคือฉลาดทําให้ใจเราฉลาดขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าวิธีคิดดีกว่าเก่า ไมคิดแบบเดิมๆคือคิดได้ด้วยตนเองไม่จะเป็นต้องไปตักกระตือนว่ากล่าวคือกระทบปุ๊บนะคือผัสสะคือจิตมันรู้ว่าเอออันนี้ชอบไม่ชอบแล้วก็วางทีอารมณ์อย่างนี้นมันจะไม่เกิดเลยถ้าใครไม่ปฏิบัติหรือไม่เคยปฏิบัติโดยเฉพาะอยิ่ยงคือจิตที่ไมันเป็นสมาเคยเป็นสมาธิเลยจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเรข้าใจได้เป็นสมาธิแล้วอยู่ที่ว่าสติเห็น สติของเราข็งข้นมากน้อยแค่ไหนขั้นตอนเข้ามาก็บอบรมกันไปอบรมกันมาสติสมาธิปัญญาปัญญามาเกิดขึ้นก็มสีสติมากขึ้น ม, ม, มักอบรมทาําสมาธิขบวนไปเวนมามันเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องสังงส IT, งงสทธิ์เรื่องหนึ่งสติเรื่องหนึงสมาธิเรื่องหนึ่งปัญญาเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่มันเรื่องเดียวกันเลยมันจะมีกําลังมันจะมีพลังจใจเราจะมีพลังที่มีกําลัง พนักพยายามเพิ่มพลังจิตของตัวเองให้มากขึ้นอจะเพิ่มในพลังกายอย่างเดียวเวันหนึ่งมันสภาพของดั้งเดิมของของเราคือดินน้ำไฟลมนี่แหละมันเจ๊งย้ายของมันคือมันดับเป็นแล้วแต่ตัวที่มันไม่ดับอีสี่ตัวนะคือจิตไม่ดับนะป่วยจิตไม่ตายไปต่อแล้วมันจะไปไหนท่านนี้มันไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยคือมันไม่มีสติป่วยยังไเรื่องที่สําคัญ พังกระฟ้าผู้เราทุกคนว่าเป็นเป็นแนวนึกแนวเข็ดแนวปฏิบัติคือใช้ได้ทุกเรื่องใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกคนเพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้านะอากาลิโกไม่มีการไม่ประกอบด้วยการและสวัสดิติโกเห็นได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นกฎเฉพาะของใครของท่านไม่สามารถที่จะมอบหรือว่ายกให้เป็น มารดกเป็นสมบัติแก่ใครใ ด, ๆๆ ไ, ดได้แต่เราจะรู้ได้ว่าคนนั้นคนนี้คนนู้นภูมินั้นอยู่ในระดับไหนเราก็ต้องเป็นปฏิบัติ ด, ด้วยถึงจะเข้าใจในสิ่งเหนี้ได้ดัะนั้นเพื่อให้แบ่งเบาภาระเพื่อหนทางข้างหน้ามันสั้นขึ้นพยายามเดินแต่ น, นี้หนึ่งมักขานี่แหละคือหนทางนี่แหละมักคะคืออะไรคือมัดมือองแปดคือสี่อย่าง8ดอย่างนี่แหละจะเป็นหนทางเดิน พยันเดินหน่อยวันละกิโลสองกิโลก็ยังดีนะไมิเงนเป้าหมายเขาละห่างไกลเลยคนอผ่านะคือคยิมันดํามันห่างไกลเลยมันก็ฝากพวกเราทุกคนอย่าประมาทวันนี้ทํางานมาเยอะแล้วมันเหนื่อยไม่เป็นไรห้าทีสิบทีสิบ้าทีก็ได้ขอให้ทํามันจะกลายเป็นบวกคือเพิ่มแต่ถ้าไหนไม่ทํามันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเลยไม่มีอะไรเพิ่มในวันนั้นนอะ วันนั้นเป็นวันที่เราขาดทุนขาดทุนความดีคนามดีไม่เกิดขึ้นกับเราเลยหรือเราจะยอมขาดทุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเมื่อเรายอมขาดทุนก็แปลว่าต่อไปจะเอาทุนไปแต่ครั้งหน้าคนไม่มีทุนต่อจะอะไรไปทําทุนนะมันไม่มีทุนนะว่าอนี่คือต้นทุนของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราต้นทุนที่เรามาที่เรามาหมายความที่เราเกิดมานะ่ย เรารู้ว่าแต่ละคนต้นทุนมันไม่เท่ากันเนาะเราก็จะเห็นกันอยู่ว่าที่ต้นทุนที่มีอยู่มันไม่เท่ากันกับพ่ออย่างนี้แหละข้นไปเรื่องธรรมดาแต่ว่าทุนเราสามารถเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ไม่ใช่ไปตำหนิตีโอวมันเรื่องของกรรมเก่าเรื่องเรื่องเก่าเราต้องทําอะไรแล้วไปโทษชาติหน้าโทษชาติหลังหรืออดีตแต่ปัจจุบันไม่พูดถึงเลยคือไม่แก้ไขไม่เลยแต่ไปโทษอดีต เปโทษอนาคตอะไรก็ไม่รู้แต่ครูญาติเขาบอกให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนั่นที่เป็นความจริงความจริงแท้แค่ปรหาตัวเองได้คือตัวเองได้แต่ความจริงที่มันจบไปแล้วคืออดีตความจริงอาจจะเกิดเกิดได้ไม่เกิดได้มัเรื่องอนาคตเพราะนั้นเรื่องคนในครูญาติก็เรียงให้พวกเราแล้วว่าอดีตอนาคตปัจจุบันท่านเรียงอย่างนี้เลยในะเป็นภาษาบาลีนะอดี ต, ตังนันวาคามยะ อดีตอนาคตนับปฏิกันแค่อนาคตคาคต่างคือจะไปวางอะไรมากในเรื่อ ง, อ, งอนาคตในความหมายสุทธาก็เน้นไปที่ปัจจุบันเห็นไหมถ้านจะเรียงให้เราโดยชีวิตเราอย่างนี้นะคืออดีตอนาค ต, อาคตไอ้สองตัวเนี่ยตัดได้เลยเพราะมันไมประโยชน์เพราะอะไรที่ไม่เกิดเพราะอดีตมันจบไปแล้วอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นเล ย, เลยนะ ปัจจุบันเท่านั้นที cœur, ่ม <sy> <no> ันดําเนินไปอยู่แต่เราไม่อยู่กับปัจจุบันเราไปอยู่เปลยนคาว่าไม่อยู่ก็คือวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำเรากลับไปย้ําอยู่ที่เดิมนู่นเมื่อวานเมื่อปีที่แล้วชาติทีแล้วเรื่องเก่าเรื่องแก่มาแล้วก็ยังมาพูดมาคิดมาปรุงกันอยู่แล้วสังหารกันอยู่เแล้วมันจะไปดับได้ยังไงเรื่องเก่าแทนที่มันดับไปแล้วมันจบไปแล้วมันควจะหมอดมันควจะดับไปแล้วเนี่ย เราก็จะไปเติมเชื่อให้มันอยู่เนี่ยเื่อไม่ยอมให้มันดับเนี่ยเราก็เราเข้าใจผิดคือเรียงลําดับขั้นตอนผิดเหมือนนั้นเราเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็เมื่อเราคิดมาความคิดนั้นมันมันจบไปแล้วเรามีสติก็รู้ทันทีว่าเออเนี่ยมันเป็นอดีตแบบมาเรื่องที่จบไปแล้วมันควรจะจบคือดับละเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไ้เดียวเกิดแล้วดับตัวอนาคตเหมือนกั น, กนโอ้มันยังมาเกิดเลยจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นหรอเ ก็ไม่แน่นอนก็แปลว่าถ้าเราอยู่กับอดีตก็แปลอยู่กับเมื่อวานม่ไอยู่กับวันนี้อยู่กับอนาคตก็อยู่กับสิ่งที่ไม่เกิดอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนเลยมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยคืออยู่กับพุ่งนี้ก็เราก็เลือกได้ว่าอยู่ที่มันจบไปแล้วก็อยู่อย่างนั้นอยู่ที่มันยังไม่เกิดก็แล้วแต่แต่เสียงกูเจ้าบอกให้อยู่กับปัจจุบันนะ พนังกงานพาวนาของเราก็าับกำลังปัจจุบันก็ดึงกลับมาปัจจุบันทามาแปลกกลับไปให้ดีดก็ดึงมาปัจจุบันเวิไปฮานาคตดึงหาปัจจุบันก็สู้กันอย่างนี้แหละจนถึงใจจนเราเข้าใจสมองเด็ดมาปุ๊บก็ตัดออกนาคตปวดตัดออกอาย่ปัจจุบันล้วนๆแล้วสาภาวธรรมก็เกิดขึ้นที่เข้าใจที่ปัจจุบันจิตของเราก็เจริญขึ้นเ ข, ข้าใจมากขึ้นเพราะเราตัดสิ่งก้อนออกที่มันจบไปแล้วที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าดีที่เรียกว่านะครันั้นอย่าพวกเราทุกคนอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนั้นะเรียกว่าความจริงเรียกว่าสัจจะอยู่กับความจริงซึ่งเป็นข้อแรกเป็นเครื่องการกองแรกที่พระเจ้าฝากอะไแลกความจริงนี้ต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะมีประโยชน์กับตัวเองด้วยนี่ยคือได้รับประโยชน์จากความจริงนั้นๆเมื่อรับประโยชน์แล้วเจตนาจงใจตั้งใจใหม่ทุกครั้งเสมออย่างนี้ทุกวัน เราก็เชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีเขาก็จะรับคําชมจากครูน้าพธเจ้าของเราพระเจ้าก็จะชมเราเป็นนักเรียนที่ดีไม่งั้นเสียงเพลงพรเจ้าเฝ้าเพียนอสองพันกว่าปีมานี้มันจะไร้ประโยชน์ม่มีประโยไน์ใดเลยอวันนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนเพื่อมันมันวันนี้เป็นทางปริยัตเป็นทางปฏิบัติจริงๆมันเป็นทางปฏิเวรด้วย อยู่ในตัวกันถ้าเราฟังแล้วทีละอย่างฟังทีละนี้ทีนี้ก็ค่อยฟังไ่อฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องยับๆไม่พื้อพื้นๆนะฟังกันเลยว่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยถ้าเป็นหนังหนังม้วนเดียวจบก็อยากให้เราคิดอย่างนี้ให้คิดเป็นม้วนเดียวจบอยากคิดแบบครึ่งกลางๆจบบ้างไม่จบบ้างมันก็เป็นอย่างนี้เหมืออเราอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านไปจากแค่อารมภพบท ไายไปสิบกห็หาววางแล้วมันไม่จบสักเต็มเลยคือไม่จบสักเรื่องเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าเรื่องไหนถ้าอ่านจบแล้วจบแล้วเราจะเข้าใจจับมาปุ๊บนี่เข้าใจเล้วเออเริ่มต้นแบบนี้ทํากลางมันจบปนอย่างเงี้ยเหมือนกันอารมณ์ของพวกเราเหมือนกันถ้าผ่านการพิจารณาแล้วจนจบแล้วตัง้งแต่ต้นจนจบเราจะเข้าใจแล้วก็จะวางมันได้ทันทีพราะเราเข้าใจตัง้งแต่ต้นจนจบแล้วเราการปฏิบัติทางของเราเข้าใจได้อันนี้สอคือได้ประโยชน์ จะการปฏิบัติมั่มมากจริงๆขึ้นไปส่วนที่เหลือถ้าตรงไหนไม่รู้ให้เข้าใจสงสัยถามครูถามลูกของพระพุทธเจ้าเยอะแยะบุญญาไม่อยู่แล้วถามบารรมียังไม่เกิดก็ถามลูกของท่านคือพระสงค์ว่าจะองไหนก็ได้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงคือคุณสมบัติพรสมณะที่ทำให้เรา ก็ก็น้ามีกริริยานะมิตรมีปิตเพ่งทางใจเดียวกับไปคิดเองพูดเองเออเองแล้วก็ลำบากเดือดร้นอนวันนี้ก็ขออนุโมทนาพวกเราทุกคนในภาษาการนี้ครึ่งทางไปแล้วภาษาการนี้นี่กันยาแล้วตุลาเดือนหน้าจบปลายเดือนก็หมดไปภาษาหนึ่งแล้วก็ถือวันนี้เรามาครึ่งทางขอภาษาแล้วก็ขออนุโมทนาความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ ก็ทำบาเพ็ญตั้งแต่ต้นจนจบนี่อันนี้จะเป็นของเราอย่างแท้ๆไม่ใช่แบบโลกียะละมันไม่ใช่โลกียะทรัพย์คือทรัพย์ทางโลกนี่เป็นอริยะทัพท์คือทรัพย์ทางในจริงๆคือเราจะต้องได้คือเป็นต้นทนเบื้างหน้าจริงๆจีได้ถ้าเราไม่ทำนี้ไม่มีทางให้ได้ต้นๆุนเราะเราของเราได้มีความสุขความเจริญทางทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด